การบริกรรมภาวนาในธรรมบทใดก็ตามกรุณาอย่าคาดหมายผลที่จะเพิงเกิดขึ้นในเวลานั้นเช่นความสงบจะเกิดขึ้นในลักษณะนั้นนิมีต่างๆจะเกิดขึ้นในเวลานั้นหรืออาจจด้เห็นนรกสวรรค์ขุมใดหรือชั้นใดในเวลานั้นเป็นต้นนั่นเป็นการคาดคะเนหรือด้นเดาซึ่งเป็นการขอความไม่สงบให้แก่ใจเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรจากการวาดภาพนั้นเลยและอาจทําใจให้ท้อถอย หรือหวาดกลัวไปต่างๆซึ่งผิดจากความมุ่งหมายของการภาวนาโดยถูกทางที่ท่านสอนไว้ที่ถูกควรตั้งจิตกับสติไว้เฉพาะหน้ามีคําบริกรรมเป็นอารมณ์ของใจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดยมีใจกับสติสื่อต่ออยู่กับคําบริกรรมเช่นพุทโธพุทโธสื่เนื่องกันไปด้วยความมีสติและพยายามทำความรู้สึกตัวอยู่กับคําบริกรรมนั้นๆอย่าให้จิตเผลอตัวไปสู่อารมณ์อื่นระหว่างจิต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 เพาสิ่งดังกล่าวเหล่านั้นไม่ใช่ของดีดังที่เข้าใจแต่เป็นความคิดที่เริ่มจะไปทางผิดเพราะจิตเป็นสิ่งที่น้อมนึกเอาสิ่งต่างๆที่ตนชอบได้แม้ไม่เป็นความจริงนานไปสิ่งที่น้อมนึกนั้นอาจปรากฏเป็นภาพขึ้นมาราวกับเป็นของจริงก็ได้นี่รู้สึกแก้ยากแม้ผู้สนใจในทางนั้นอยู่แล้วจนปรากฏสิ่งที่ตนเข้าใจว่าใช่และชอบขึ้นมาด้วยแล้วก็ยิ่งทําความมั่นใจหนักแน่นขึ้นไม่มีทางลดละ จะไม่ยอมลงกับใครง่ายๆเลยจึงได้เรียนประเดียงไว้ก่อนว่าควรสังเกตระวังอย่างหจิตมึนน้อไปในทางนั้นจะกลายเป็นนักภาวนาที่น่าทุเรศเวทนาทั้งที่ผู้นั้นยังทนงถือความรู้ความเห็นของตัวว่าเป็นสิ่งถูกต้องอยู่และพร้อมจะสั่งสอนผู้อื่นให้เป็นไปในแนวของตนอีก ด, ด้วยจิตท่าได้เนิดน้อมไปในสิ่งใดแล้วแม้สิ่งนั้นจะผิดก็ยังเห็นว่าถูกอยู่นั่นเอง จึงเป็นการลำบากและหนักใจแก่การแก้ไขยอยู่ไม่น้อยเพราะจิตเป็นของละเอียดมากยากที่จะทราบได้กับบรรดาอารมณ์ที่จิตเข้าข้อเกี่ยวว่าเป็นอารมณ์ดีหรือชั่วประการใดนอกจากท่านที่เขี่ยวชาญทางด้านภาวนาซึ่งเคยผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาแล้วอย่างโชคชนเช่นท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นนั้นท่านพอตัวเสียทุกอย่างไม่ว่าภายในภายนอกท่านคลี่คลายดูโดยละเอียดทั่วถึงไม่มีทางสงสัย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 ทั้งเกิดความรื่นเริงในธรรมนั้นสุดจะกล่าวแม้ผู้นั้นจะยังสงสัยในบางแขนแหงขณะท่านอธิบายจบลงแล้วถ้าแยกแยะเรียนความรู้ความเห็นของตนให้ท่านฟังซ้ำอีกท่านจะชี้แจงเหตุผลของสิ่งนั้นๆให้ฟังทันทีด้วยความมั่นใจที่ท่านเคยผ่านมาแล้วท่านจะว่าท่านองนั้นว่าท่านลงไปงมกองบูตรกองขุดอยู่ทำไมผมเคยงมมาก่อนท่านแล้ว และล้างมือด้วยสิ่งซัพ่อต่างๆตั้งสามวันก็ยังไม่หายกลิ่นและท่านยังขยันนำสิ่งนั้นมาทาตัวชลองศีษะโดยเข้าใจว่าเป็นน้ำหอมอยู่หรือนั่นคือกองมูดคู่ที่เขาถ่ายมาได้สองสามวันแล้วซึ่งกำลังส่งกลิ่นฉุนเต็มที่ท่านอย่ากร้าหารอวดเก่งไปสูรดรมเล่นเดี๋ยวน้ำในบ่จะหมดแต่สิ่งที่ท่านนึกว่าหอมนั้นจะยังไม่หายกลิ่นจะว่าผมไม่บอกผมเคยโดนมาแล้วจึงได้เข็ดและรีบบอก กลัวท่านจะโดนเข้าไปอีกถ้าไม่มีน้าล้างอาจร้ายกว่าผมที่เคยโดนมาทั้งที่มีน้ําล้างอย่างแย่และเข็ดอยู่จนป่านนี้ดังนี้ซึ่งเป็นคําที่ออกรดอย่างยิ่งสําหรับผู้เขียนซึ่งมีนิสัยหยาบท่านผู้มีนิสัยละเอียดอาจเกิดความขยาดแยงไม่น่าฟังแต่การที่ท่านแสดงเช่นนั้นเป็นคํายืนยันอย่างหนักแน่นแน่นยําในใจทั้งทางผิดและทางถูกที่ท่านเคยผ่านมา ให้ผู้มาศึกษาฟังและหายสงสัยในสิ่งที่ตนยังเห็นว่าถูกว่าดีนั้นแล้วพยายามติดตามท่านด้วยความแน่ใจจะไม่โดนของบูดของคุดอีกซึ่งร้ายกว่าคําที่ท่านชี้แจงให้ฟังที่คิดว่าเป็นคำหยาบซสีอีกการยกธรรมท่านมาแทรกบ้างก็เพื่อท่านนักอบรมเท่ า, ายจะได้นำไปเป็นข้อคิดว่าความรู้ทางด้านภาวนา น, นี้ไม่สิ้นสุดอยู่กับผู้ใดที่พอจะยืนยันได้ทีเดียว โดยไม่ได้ไตรตรองหรือไต่ถามผู้รู้มาก่อนเชื้อก่อนนอกจากที่ท่านที่ชำนิชนา ม, มาอย่างเต็มพูมิแล้วนั่นไม่นับเข้าในจําพวกที่กําลังเห็นกองโมดกูดที่ท่านตนิว่าเป็นของดีแล้วชื่นชมในความรู้ความเห็นของตนแม้ผู้เขียนเองก็เคยอวดเก่งในความหางอึงของตนและถูกเสียงท่านแบบตาแดงมาแล้วจนไม่อาจนับได้ว่ากี่ครั้งกี่คนเพราะทําอยู่เสมอ รู้ขึ้นมาอยู่เสมอและสำคัญตัวว่าถูกอยู่เสมอคำถกเถียงท่านทุกประโยคที่ตนเข้าใจว่าถูกต้องดีแล้วเหมือนยื่นไม้แต่ละชิ้นให้ท่านตีเอาตีเอาจนแทบศรีรษะไม่มีผมเหลือค้างอยู่นั่นแหลจึงจะได้ความฉลาดอันแหลมคมและความดีจากปัญหาขุยไม้ไผ่นเรยปัญหาค่าตัวเองของตนที่ถือว่าถูกว่าดีมาจากที่ไหนนอกจากท่านตีเอายางถนัดมือ แล้วก็ยื่นยาใส่แผลที่ถูกตีมาให้ไปใส่แผลเอาเองเท่านั้นจะได้ดีฟรีอะไรมาจากความฉลาดฐานอุ่นนั้นเล่าที่ว่าท่านยื่นยามาให้ไปใส่แผลเอาเองนั้นได้แก่ท่านแก้ความรู้ความเห็นทางด้านภาวนาที่ตนสําคัญผิดไปนั้นแล้วเรากลับยอมเห็นตามท่านกว่าจะยอมลงได้ด้วยเหตุละผลก็ถูกท่านเข็นเอาเจ็บพอเค้นรับที่เรียกว่าถูกตีนั่นแหละฉะนั้นจึงเรียนไว้เพื่อทราบว่า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 เพราะความรู้ภายในใจจากการภาวนาเป็นความสลับซับซ้อนมากยากจะกําหนดได้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดผู้ปฏิบัติที่ไม่มีครูอาจารย์คอยอบรมสั่งสอนต้องรูคร้คําผิดก็คําถูกก็คำคาทั้งน้ําทั้งเนื้อทั้งเปลือทั้งกระพีทั้งรากแก้วรากฝอยทั้งกิ่งทั้งใบเอาไปทำบ้านเรือนคือเครื่องอยู่ของจิตที่ภาพภูมิใจด้วยไม้ทั้งต้นแล้วก็ชมว่าสวยงามเอาเอง ทั้งที่คนอื่นดูไม่ได้การปฏิบัติภาวนาที่ไม่ใช้วิจารณญาณก็เป็นธรรนองนี้เหมือนกันอะไรอะไรก็จะเหมาเอาสีว่าถูกไปหมดเวลาระบายออกมาให้ผู้อื่นฟังกับปากกับหูตัวเองซึ่งอยู่ใกล้ๆแทบติดกันก็มายอมฟังว่าที่พูดไปนั้นถูกหรือผิดประการใดบ้างแต่จะเข้าใจว่าถูกและพูดฟุ้งไปทีเดียวความเสียหายจึงไม่เปื้อนเฉพาะผู้ไม่พิจารณาสํารวมให้รอบครอบและรู้จักประมาณจริงเท่านั้น ยังมีส่วนแปดเปื้อนเลอะเลือนแก่วงพระศาสนาอันเป็นจุดโซ่โฮมอีกด้วยจึงควรสมบรณมระวังไว้มากเป็นการดีขณะนึกคำบริกรรมภาวนาที่เป็นความถูกต้องท่านนักภาวนาควรสนใจกับคำบริกรรมของตนโดยเฉพาะในขณะนั่งบริกรรมภาวนาไม่ควรเป็นกังวลกับท่านั่งที่กําหนดไว้ถูกต้องแกต้นแล้วคือขณะภาวนาที่กําลังทําความกําหนดจดจ่อกับงานที่ทํานั้นกายอาจ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 ไม่อายเข้าสู่ความละเอียดเท่าที่ควรได้ตามกำลังของตนเพื่อให้จิตได้ทำหน้าที่เต็มความสามารถของตนในเวลานั้นจึงไม่ควรกังวลกับกายภายนอกแต่ควรทำความจดจ่อต่อคาภาวนาอย่างเดียวจนจิตสงบและรู้เหตุรู้ผลของตนได้ตามความมุ่งหมายแม้ขณะที่จิตสงบรวมลงสู่พวังคือที่พักผ่นตัวหมดความรู้สึกกับสิ่งภายนอกมีกายเป็นต้นข้อตามเวลาจิตถอนขึ้นมาแล้ว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 ที่ตั้งฐานสูงต่ำแห่งอารมณ์ของจิตกรรมฐานบางประเภทอันเป็นอารมณ์ของจิตย่อมมีฐานเป็นตัวอยู่แล้วเช่นผมขนเล็บฟันมีฐานเป็นของตัวอยู่โดยเฉพาะส่วนหนังบางส่วนที่ถูกกำหนดเป็นฐานย่อมทราบว่าอยู่ในที่เช่นไรสิ่งที่ถูกกำหนดนั้นนั้นคทราบไว้ว่ามีอยู่อารมณ์แห่งกรรมฐานในที่เช่นนั้นเช่นนั้นสูงหรือต่ำประการใดซึ่งนั้นนั้น มีฐานของตนที่เป็นอยู่ตายตัวเช่นฟันมีอยู่ในลูกขัวานผมตั้งอยู่บนศีรษะมีส่วนสูงกันที่อยู่นอกนั้นเช่นหนังผมขนเอน็นกระดูกมีอยู่ในที่ทั่วไปตามแต่จะ ก, กำหนดเอาอาการใดเป็นอารมณ์แห่งกรรมฐานและอาการนั้นนั้นตั้งอยู่ในที่เช่นไรเวลากำหนดสิ่งนั้นนั้น เป็นอารมณ์ตามฐานของตนที่ตั้งอยู่สูงหรือต่ำประการใดกรุณาทราบไว้ตามฐานของสิ่งนั้นๆเวลากำหนดอาการใดอาการหนึ่งที่กล่าวมาเป็นอารมณ์ในขณะภาวนาควรกำหนดเฉพาะอาการนั้นเป็นสาคัญกว่าความสูงหรือต่ำที่กาหนดไว้เดิมเช่นเดียวกับท่านั่งสมาธิที่เอ็นเอียงไปบ้างไม่สาคัญความสูงหรือต่ำที่เรากาหนดไว้เดิมอย่างไรก็ปลอดตามสภาพเดิม อย่ายกกรรมฐานที่เคยกำหนดแล้วว่าอยู่ในที่ฉนั้นมาตั้งใหม่เรื่อยๆโดยเข้าใจว่าเคลื่อนจากที่เดิมถ้ายกมาตั้งใหม่ตามความสำคัญของใจจะทําให้เป็นกังวลไปกับฐานนั้นไม่เป็นอันกำหนดภาวนากับกรรมฐานบทนั้นได้อย่างถนัชัดเจนเช่นกำหนดกระดูกศีษะและเพ่งสิ่งนั้นเป็นอารมณ์จนปรากฏเห็นเป็นภาพชัดเจนเหมือนกับดูด้วยสาเนื้อแต่แล้วเกิดความสำคัญขึ้นว่ากระดูกศีรษะนั้น เลขเคลื่อนจากฐานบนมาอยู่ฐานล่างซึ่งผิดกับความจริงแล้วกำหนดใหม่ดังนี้เป็นต้นซึ่งเป็นการสร้างความรูปความสงสัยให้แก่ใจอยู่เสมอไม่มีเวลาพิจารณาอาการนั้นนั้นให้แนบสนิทตรงได้ที่ถูกคนกำหนดอาการนั้นนั้นให้อยู่ในความรู้สึกหรือความเห็นภาพแห่งอาการนั้นนั้นด้วยความรู้สึกทางสติไปตลอดสายแม้ภาพของอาการนั้นนั้นจะแสดงอาการใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง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 เวลาดูลมเพลินไปด้วยความสนใจอาจเกิดความสงสัยขึ้นมาในเวลานั้นได้ว่าลมได้เคลื่อนจากด้างจมูกไปอยู่ในฐานอื่นเป็นต้นแล้วตั้งลมที่ดั้งจมูกใหม่ดังนี้เรียกว่าความโนตัวเองด้วยความสาคัญจะไม่เกิดผลได้เลยเพราะความสงสัยมาแย่งเอาไปเสียหมดเพื่อความถึงต้องและหายกังวลในฐานต่างๆจึงควรปฏิบัติตามที่กล่าวมาในอาคารอื่นๆคือพึงทางความรู้ชัด ในกองลมที่ผ่านเข้าผ่านออกด้วยสติทุกระยะไปจนถึงที่สุดของลมแม้ฐานของลมจะปรากฏว่าสูงต่ำหรือผิดฐานเดิมไปตามความเข้าใจก็าตามจะไม่ทำให้การกำหนดนั้นเสียไปแม้แต่น้อยเลยยิ่งจะทำให้จิตกับลมสนิทแน่ต่อกันไปตลอดที่สุดของการภาวนาหรือที่สุดของลมลมหายใจดักไปในความรู้สึกขณะภาวนาอาณาปานสติในบางครั้ง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 ลมก็กลับมีมาและกลายเป็นลมหยาบไปตามเดิมจิตก็หยาบสุดท้ายการภาวนาก็ไม่กล้าไปถึงไหนคงได้เพียงขั้นกลัวตายแล้วถอยจิตถอยลมขึ้นมาหาที่สีตนเข้าใจว่าจะไม่ตายนี้เท่านั้นการภาวนาแบบนี้มีมากมายในวงปฏิบัติจึงได้เรียนไว้บ้างเพราะอาจเกิดมีแก่ท่านที่ภาวนาอาณาปานาสติเป็นบางรายแล้วอาจเสียท่าให้กับความหลอกลวงนี้ได้ การภาวนาเพื่อเห็นความจริงกับลมในอานาปานสติกรุณ า, ากาำหนดลมด้วยสติจนถึงที่สุดของลมและของจิตจะเห็นความอัศจรรย์อย่างเด่นชัดขณะผ่านความกลัวตายในระยะที่เข้าใจว่าลมดับไปแล้วด้วยความกล้าหาญคือขณะเจริญอานาปานสติไปถึงลมละเอียดและลมดับไปในความรู้สึกขณะนั้นโปรดทำความเข้าใจว่าแม้ลมจะดับไปจริงจริงก็กกาตาม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 เราจึงพอมองเห็นเล่เหลี่ยมของกิเลสได้ชัดตอนนี้แลครั้นแล้วเราก็ไม่หึนตายดังความคาดคิดก็ยิ่งทําให้เห็นตัวมารที่แสนปั้นเรื่องขึ้นหลอกได้ชัดเจนฉะนั้นท่านที่ภาวนาอาณาพันธสติกรุณาจําหน้ามารตัวนี้ไว้ด้วยดีเวลาเจอกันในวันข้างหน้าจะได้สร้างวิธีหลบลีแก้ไขและดำเนินไปได้โดยสะดวกจนถึงฝั่งแห่งความปลอดภัยไร้ทุกข์ทันน้งมวลดังองค์ศาสดาท่าน ที่ทรงดําเนินทำบทนี้มาก่อนจนได้ตรัสรู้และนิพพานด้วยทำบทนี้เป็นบาขานเพวังกจิตคํ า, ตาว่าจิตตกผวังบางท่านอาจไม่เข้าใจจึงขออธิบายไว้บ้างเพียงเล็กน้อยคํ า, าว่าผวังแปลอย่างพระปาตามนิสัยที่ถนัดใจจึงขอแปลว่าองคแห่งภพเฮือเรือนพักเพือนนอนของอวิชามาตั้งแต่เด็กดําบันแสนกลับนับไม่ถ้วน คำว่าจิตตกผวังคืออวิชารวมตัวเข้าไปอยู่ในที่แห่งเดียวไม่ทำงานและไม่ใช้สมุนให้ออกเที่ยวล่าเมืองขึ้นตามสายทางต่างๆนั่นแลทางออกทางเข้าของสมุนอวิชาคือตาหูจมูกลิ้นกายเมืองขึ้นของอวิชาคือรูปร้อยแปดเสียงร้อยแปดกลิ่นร้อยแปดรสร้อยแปดเครื่องสัมผัสร้อยแปดซึ่งล้วนเป็นที่อประชอบของอวิชาทั้งสิ้น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 จนสืบสาวราวเรื่องสาเหตุผลต้นปลายไม่ได้เหมือนงานของอวิชาที่แผ่ประจายไปทุกแห่งหตมนตําบนหมู่บ้านตลอดโรคสงสารและกล้าได้กล้าเสียตรงงานของตนรับชังเกลียดโกรธเป็นงานประจำของอวิชาไม่มีรังเกียจพอใจทั้งรักทั้งชังพอใจทั้งเกลียดทั้งโกรธแม้จะมีความทุกข์ทรมานแก่ผู้รับใชเ้เพียงไรอวิชาเป็นไม่ยอมให้ถอยอยุให้รักให้ชัง ให้เกลดให้โกรธจนผู้รับผลเกิดความขีบหายขนฟีไปเพราะสิ่งเหล่านี้อวิชาก็ไม่ยอมเห็นใจและสงสารบังคับไปทําจนผู้รับใช้แหลกลานไปกำมันนั่นแลคือความเป็นธรรมของอวิชากับทุกอวิชาที่มอยู่ในใจสัตว์โลกงานที่อวิชาพาให้ทํานั้นไม่มีวันสิ้นเสร็จสําเร็จเมื่องานอื่นๆนอกจากแต่แขนงกว้างขวางออกไปรเรื่อยๆไม่มีวันเวลาเป็นกฎเกณฑ์ขอบเขตเท่านั้น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 ซึ่งเป็นบ้านพักครือนอนของอวิชชาจนได้เพราะไม่มีทางออกซึ่งเห็นว่าดีกว่านี้นี่แหลผู้ปฏิบัติจะเห็นคุณของสติปัญญาอย่างถึงใจก็ไม่เห็นตอนพยายามถอดถอนทำลายอาวิชนานี่แหลเพราะนอกจากสติกับปัญญาแล้วไม่มีเครื่องมือใดสามารถทำลายได้เพราะวังขจิตจะสูญสิ้นไปได้เมื่อไรเพราะวังขจิตไม่มีวันสูญสิ้นไปโดยลําพังเพราะ เป็นแรงสร้างภพสร้างชาติสร้างกิเลสตัณหามานานและทางเดินของอวิชชาก็คือการสร้างภพชาติบนหัวใจสัตว์โลกอยู่ตลอดไปไม่มีวันเกีคร้านและอิ่มพอผู้ปฏิบัติถ้ายังรักสงวนภวังขจิตและรักฐานแห่งสมาธิของตนอยู่ไม่คิดหาทางขยับตัวเข้าสู่ปัญญาเพื่อสอดส่องดูตัวอวิชชาที่เปรียบเหมือนนางบางเงาอยู่ในจิตหรือในภวังขจิตในสมาธิ ก็เท่ากับเป็นสมุนของภพชาติอยู่เรื่อยไปไม่มีวันพ้นไปได้ถ้าต้องการหลุดพ้นก็ต้องสร้างสติปัญญายขึ้นกับใจจนคล่องแคล่วแกราสามารถทําลายภวังคจิตอันเป็นตัวภพชาตินั้นเสียภวังคจิตก็สลายหายซากไว้เองผู้จะทราบภวังคจิตได้ต้องเป็นผู้มีสมาธิอันมั่นคงและมีสติปัญญายอันแหลมหลักเข้าเขตคายแห่งมหาสติมหาปัญญานั่นแหลนอกนั้น ไม่สามารถทราบได้แม้เรียนจบพระไตรปิฎกก็ไม่พ้นจากความพกเอาความรู้อวิชชาไว้อย่างเต็มพุงไปได้เครื่องมืออันยอดเยี่ยมก็คือมหาสติมหาปัญญานี่แหละเป็นเครื่องสังหารทำลายภวังขจิตภวังอวิชชาพระป่าก็เขียนไปตามนิสัยป่าอย่างนั้นเองกรุณาจะาได้ถือสาและยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ น, นักเลยเพราะพูดไม่มีแบบมีฉบัดเป็นเครื่องยืนยันรับรอง เวลาปฏิบัติก็อยู่ในป่าเวลาเรียนก็เรียนในป่าทาจริงเป็นทมป่ารวมแล้วมีแต่เรื่องป่าไม่มีคำว่าคาภีแฝงอยู่บ้างเลยการอธิบายวิธีเดินยงกลมกับวิธีนั่งสมาธิก็ไม่ค่อยเป็นแถวเป็นแนวเนื่องจากความเกี่ยวโยงแห่งขนงังธรรมต่างๆที่ควรอธิบายมีสัมผัสกันเป็นตอนๆจึงเขียนวกเวียนซ้ำซากไปทางความจาเป็นผู้เริ่มฝึกหัดใหม่อาจเป็นปัญหา และทำให้เกิดความราคาญอยู่บ้างแต่อาจเกิดผลในเวลาต่อไปจึงขอสรุปวิธีการทั้งสองลงว่าถ้้เห็นว่าการเดินยงกลมเหมาะกับนิสัยและได้รับความสงบหรือเกิดอุบายต่างๆขึ้นมากกว่าวิธีนั่งสมาธิก็ควรเดินมากกว่านั่งถ้าการนั่งจิตได้รับผลมากกว่าก็ควรนั่งมากกว่าเดินแต่ไม่ควรติดทางของการเปลี่ยนอิริยาบถซึ่งเป็นความสาคัญสาหรับกายที่เป็นเครื่องมือทางาน ทั้งสองนี้จะเป็นวิธีใดก็คือการทำลายกิเลสสิ่งพอกภูนิบชาติและกองทุกข์ทั้งมวลภายในใจอันเดียวกันนั่นแหละนั่นแหลกรุณาทำความสนใจกับจิตซึ่งเป็นสิ่งสาคัญของโลกด้วยโลกกับเราจะอยู่ด้วยกันเป็นผาสุขไม่อยู่ด้วยความรืดร้อนนอนคลางนักเพราะจิตได้รับการอบรมพอมีเครื่องป้องกา ร, รบซ่อนว่าดีกว่าที่ไม่มีอะไรในตัวเลย เวลาดับขันจะได้อาศัยพึ่งร่มพึ่งเงาวความดีภายในตัวที่สั่งสมไว้สัตว์โลกเป็นไปกับกรรมดีกรรมชั่วและสวยผลเป็นสุขบ้างทุกบ้างตลอดมาไม่เคยมีสัตว์ตัวใดหรือผู้ใดหลีกพ้นไปได้โดยไม่ยอมสวยผลที่ไม่พึงปรารถนาแม้ในโลกมนุษย์เราก็รู้เห็นกันอยู่อย่างเต็มตาเต็นใจทั้งท่านและเราตอสศัต์ตซึ่งมีสุขบ้างทุกบ้า ง, างเชือพลันไปเป็นคราวในรายหนึ่ง การอบรมความดีมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเพื่อเป็นเรือนใจอันเป็นสิ่งที่ผู้บำเพ็ญจะพึงรู้เห็นในปัจจุบันวันนี้ชาตินี้ไม่สงสัยเช่นเดียวกับสมัยพุทธกาลส่วนขณะจิตที่รวมลงเป็นสมาธิซึ่งมีหลายขณะต่างๆกันตามนิสัยนั้นไม่ขอไม่ขอแสดงไว้หนที่นี้เกรงว่าท่านที่เริ่มปฏิบัติจะคิดคาดหมายไต่างๆซึ่งไม่ใช่ความจริงที่เป็นเองจาก สมาธินีสัยของตนที่อธิบายวิธีเดินจงกลมและนั่งสมาธิภาวนานที่ผ่านมานี้อธิบายเป็นกลางๆนําไปปฏิบัติได้ทั้งพระและครวัตส่วนผลคือความเป็นของจิตที่เกิดจากการเดินจมกลมหรือนั่งสมาธินั้นส่วนใหญ่คือความสงบของจิตเวลารวมรวมไปถึงที่แล้วจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวกันส่วนย่อยที่อาจเป็นไปตามนิสัยนั้นผิดกัน ผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรเป็นกองบนเมื่อได้ทราบจากเพื่อนฝูงเล่าให้ฟังว่าจิตเขาเป็นอย่างนั้นรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นและรู้เห็นนี้มีต่างๆอย่างนั้นโปรดถือหลักใหญ่คือความสงบขณะที่จิตรวมลงเป็นสำคัญนี้เป็นหลักรับรองผลของสมาธิโดยทั่วไปท่านที่มีความเพียรพยายามอยู่แล้วไม่เนรย่มากเป็นนักบวชหรือสาธุชนย่อมจะเห็นความอัศจรรย์ของจิตจากสมาธิภาวนา ในวันหนึ่งแน่นอนข่าวที่เคยอ่านในประวัติของอริยสาว ก, กทั้งหลายจะปลายมาเป็นข่าวของตนในวันหนึ่งจนได้เพราะสิ่งที่เป็นกิเลสปักก ร, รมและทำเครื่องแก้กิเลสนั้นมีอยู่กับทุกคนและทางครั้งโน้นครั้งนี้ไม่ลำเอียงผู้ปฏิบัติเป็นสามีกิกรรมชอบในสมาธิวิธีผลเป็นที่พอใจเหมือนอริยสาว ก, กในครั้งพุทธการได้รับตนจะพึงได้รับเช่นกัน ข้อสำคัญอย่าคาดการสถานที่ว่าเป็นที่เกิดแห่งมรรคผลนิพพานยิ่งไปกว่าการปฏิบัติตนด้วยมรรคโดยชอบทำเถิดนี่แลเป็นเครื่องก ด, ดเครื่องกิเลสของทุกทางใจออกได้โดยสิ้นเชิงและมรรคนี่แลคือทำแก้กิเลสโดยตรงเรื่อยมาแต่ครั้งนนถึงครั้งนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปล ง, ปลงตระณานํามาแก้จิตซึ่งเป็นที่เกิดที่อยู่แห่งกิเลสทั้งมวลให้เห็นประจักษ์ขึ้นกับใจ ว่าใจได้เปลี่ยนตัวจากความเคยเป็นภาชนะแห่งกิเลสทั้งหลายมาเป็นภาชนะแห่งธรรมโดยลาดับจนเป็นธรรมทั้งดวงใจถ้าลงได้เป็นธรรมทั้งดวงแล้วอยู่ที่ไหนที่ไหนก็อยู่เถิดความเกิดทุกทางใจจะไม่มีมาเยี่ยมมาผ่านอีกเลยนอกจากาขันอันเป็นเรือนของทุกโดยตรงอยู่แล้วขันก็เป็นขันและทุกขก็เป็นทุกขไปตามเคยจนถึงวันสุดท้ายปลายแดนแล้วก็สิ้นซากจากความเป็นขันเป็นทุกไปตามกัน คำว่าอวิชชาที่เคยเรืองอำนาจบนหัวใจก็สิ้นอำนาจขาดความหมายไปในขณะที่กิจกลายเป็นธรรมทั้งดวงไปแล้วนี่แรงงานของธรรมมีความสิ้นสุดยุติและหลุดพ้นไปได้ไม่เหมือนงานของอวิชชาซึ่งแผ่กระจายไปทั่วโลกสงสารไม่มีประมาณและเวลาจบสิ้นลงได้จึงพอนําผลมาเทียบกันดูว่างานหนึ่งไม่มีประมาณและเวลาจบสิ้นลงได้แม้จะทำปลายกีขากีกัน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 การออกจากสมาธิภาวนาเวลาจะออกจากที่ภาวนาพึ่งออกด้วยความมีสติประกองใจถ้าจิตยังสงบอยู่ในภวังนั้นไม่ใช่ฐานะจะบังคับให้ถอนขึ้นมาแล้วออกจากที่ภาวนาแม้ถึงเวลาจะต้องไปทํางานการหรือออกบินทบาตก็ไม่ควรรบกวนปล่อยให้รวมสงบอยู่จนกว่าจะถอนขึ้นมาเองงานภายนอกแม้จําเป็นก็ควรพักไว้ก่อนในเวลาเช่นนั้นเพราะงานของภวังคติต สำคัญความมากมายจะนํามาทียกันไม่ได้หากไปบังคับให้ถอนขึ้นมาทั้งที่จิตยังไม่ชํานาญในการเข้าอกการออกจะเป็นความเสียหายแก่จิตในวาระต่อไปคือจิตจะไม่รวสมสงบลงได้อีกดังที่เคยเป็นมาแล้วจะเสียใจภายหลังเพราะเรื่องขนองนี้เคยมีเสมอในวงปฏิบัติจึงควรระมัดระวังอย่าให้เรื่องซ้ํารอยกันอีกการออกถ้าจิตรวงสงบอยู่ก็ต้องออกในเวลาที่จิตถอนขึ้นมาแล้ว หรือเวลาที่รู้สึกเหนื่อยขณะออกก็ควรมีสติไม่ควรออกแบบพรวดพ่าดใยสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นทำระดับตัวตามกริยาที่เคลื่อนไหวก่อนออกควรนึกถึงวิธีธทมที่ตนเคยได้ผลในขณะที่ทำสมาธิก่อนว่าได้ตั้งสติกำหนดจิตอย่างไรนึกคำบริกรรมบทใดช้าหรือเร็วขนาดใดใจจึงรวมสงบลงได้หรือเราพิจารณาอย่างไรด้วยวิธีใด ใจจึงมีความแยบคายได้อย่างนี้เมื่อกําหนดจดจําทั้งเหตุและผลที่ตนทําพันผ่านมาได้ทุกระยะแล้วค่อยออกจากสมาธิภาวนาการที่กําหนดอย่างนี้เพื่อวาระหรือคราวต่อไปจะทําให้ถูกต้องตามรอยเดิมและง่ายขึ้นเฉพาะออนักบวช ท, ที่เป็นนักปฏิบัติอยู่แล้วแม่ออกจากสมาธิมาแล้วสติที่เคยประคองจิตก็ไม่ควปรปล่อยวางในอิริยาบถต่างๆ คือยืนเดินนั่งนอนและทําข้อวัดหรือทํางานอะไรอยู่ก็ควรมีสติกํากับคำบริกรรมหรือมีสติสมัมปชัญญะอยู่กับตัวไม่ปล่อยใจให้สายแสไปตามอารมณ์ต่างๆตามนิสัยของจิตที่เคยต่ออารมณ์การมีสติอยู่กับคำบริกรรมหรือมีสติอยู่กับตัวกริยาที่แสดงออกต่างๆทางกายวาจายื่อไม่จิตพาดและเป็นความงามไม่แสดงหูแสดงตาผู้อื่น แม้จะมีนิสัยเชองช้าหรือรวดเร็วประการใดก็อยู่ในกรอบแห่งความน่าดูน่าฟังและงามตาขณะทำสมาธิภาวนาจิตก็สงบลงได้เร็วพระสติเครื่องควบคุมใจและงานที่ตนกระทำอยู่กับตัวถ้าเป็นศาสตร์ก็อยู่ในความอารักขาจะจับมาใช้ ง, งานเมื่อไรก็ง่ายภัยก็ไม่ค่อยเกิดได้ง่ายเหมือนปลอยไปตามยถ า, ากรรมจิตที่พยายามรักษาอยู่ทุกเวลาแม้ไม่รวมสงบลงได้ดังใจหวัง ก็ไม่ค่อยเที่ยวก่อกรรมทําเข็ญใส่ตัวเหมือนที่ปล่อยไปตามยะถากรรมการรักษาจิตได้ ท, ทุกครั้งหรือได้ทุกเวลานั้นเป็นการบํารุงสติและจิตเพื่อควรแก่การงานทางด้านสมาธิภาวนาและงานอื่นๆได้ดีงานใดก็าตามที่ผูรร้ทําทําด้วยความจงใจมีสติจดจ่ออยู่กับงานงานนั้นย่อมเป็นที่นาดูไม่ค่อยผิดพลาดตัวเองก็ไม่เป็นคนเผลอเรอ เป็นคนหรือพระที่อยู่ในระดับไม่ลดฐานะและการงานให้เป็นของน่าเกลียดที่ว่าสติจำต้องปราถนาในที่ทั้งปวงนั้นถูกต้องเหมาะสมอย่างยิ่งหาที่คัดค้านไม่ได้ทางนี้เราจะเห็นความจำเป็นของสติในเวลาทําสมาธิภาวนาหรือการพิจารณาธรรมภาคทั่วไปสติจำต้องตามสิตการนั้นอยู่ทุกะยะจึงจะทราบเรื่องราวของจิตของธรรมได้และเระ อ, อ, าอาสมความมุ่งหมาย ยิ่งผู้มีภูมิจิตภูมิธรรมสูงมากเพียงไรสติก็ยังเป็นธรรมจาเป็นทุกระยะโดยปราศจากไม่ได้เลยปัญญาจะคุมกล้าสามารถเพียงไรย่อมขึ้นอยู่กับสติเึ็นเครื่องพยุงส่งเสริมแม้ปัญญาจะ ก, ก้าเป็นสู่ภูมิมหาปัญญาก็เป็นการแสดงถึงสติว่าต้องก้าวขึ้นสู่ภูมิมหาสติเช่นเดียวกันเพราะสติเป็นธรรมเครื่องนําออกของงานทุกชนิดคนเราธรรมดาสามันเพียงขาสติไปบ้างเป็นบางเวลา กระยาที่แสดงออกไม่น่าดูเลยยิ่งขอให้ขาไปมากแบบไม่สนใจเลยแล้วก็นับว่าจวนจะเข้าขั้นแน่นอนไม่สงสัยด้วยเหตุนี้นักปราดที่บรรลุรมช้าหรือเร็วแม้จะต่างกันตามนิสัยวาสนาก็ยังขึ้นอยู่กับสติปัญญาเป็นของสำคัญอยู่ด้วยผู้เร่งรับทางสติมากสมาธิก็เพลิดเเร็วคิดอ่านทางปัญญาเข้าไปได้เร็วผิดกันเราคิดเพียงงานเขียนหนังสือก็พอทราบได้ คือถ้าวันใดสติเลื่อนลอยเพราะความคิดสับสนมากวันนั้นเขียนหนังสือก็ผิดผิดถูกถูกทั้งขีดทั้งข้ายุ่งไปหมดแต่ถ้าวันใดใจไม่ยุ่งสติมีอยู่กับตัวบ้างวันนั้นเขียนหนังสือก็ถูกดีไม่ค่อยขิดค่าอะไรนักเลยท่านที่มีชื่อเสียงกิตติศักดิ์กิจติคุในทางคิดทางธรรมโดยมากมากเห็นความสําคัญของสติท่านพยายามตั้งสติอยู่ตลอดมาไม่ยอมให้พั้งเผลอไปได้ยิ่งเวลาทาสมาธิภาวนา และพิจารณาทำทั้งหลายด้วยแล้วสติกับปัญญาต้องคลมเกลืนเป็นอันเดียวกันไปโดยตลอดไม่ยอมให้ขาดวักขาดตอนได้ผู้ฉะนั้นทำอะไรอยู่ที่ใดก็คือผู้มีชากระธรรมเครื่องเตือนอยู่กับตัวเป็นผู้มีเครื่องป้องกันตัวอย่างแน่นหนามั่นคงหาสึกยากจะเข้าถึงได้ภายทางใจจึงไม่มีผี่กับผู้ไม่มีสติซึ่งเป็นพวกกาโกยทุกไปไหนไหนมีเท่าไรารับเมาจนหมด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 โดยให้ความมั่นใจแก่นักปฏิบัติว่านักปฏิบัติในเพศใ ด, ไไดวัยใดก็ตามถ้าเป็นผู้สนใจกับสติอยู่เสมอไม่ใหกขาดวักขาตอนในเอวยาบทและอาการต่างๆนักปฏิบัตินั้นจะพึงมีหวังได้ชมสมาธิสมาบัติระกผลิพานไม่พ้นมือไปได้เริ่มแรกแต่การอบรมขอให้มีสติเป็นพี่เลี้ยงรักษาเถิดความรู้สึกตนและรู้สึกผิดถูกชั่วดีที่เกิดกับตัวนักผู้อื่นนั้นอย่างไรต้องทราบได้ตามระดับที่สติอยู่กับตัว ไม่ยอมพลางเผลอปล่อยให้กิเลสฉุดลากและลวงเอาของดีไปกินเสียย่อมมีหวังแน่นอนโดยมากผู้ปฏิบัติธรรมกลายเป็นนักตณิธรรมว่าไม่ผลเท่าที่ควรหรือไม่ให้ผลแก่ตนในเวลาบำเพ็ญ น, นั้นเพราะกิเลสตัวพายเผลอนั้นแลแอบมาทำหน้าที่ก่อนสติซึ่งเป็นผู้นําและแอบทําหน้าที่แฝงไปกับจิตทั้งเวลาประกอบความเพียรและเวลาธรรมดาจึงทําให้ผิดหวังไม่ได้ดังใจหมาย แล้วแทนที่จะตนิตัวผู้เสียท่าให้กิเลสแต่กลับไปตนิทรรมว่าไรผลไปเสียจึงมีแต่เรื่องขาดทุนโดยถ่ายเดียวในข้อนี้เป็นเพราะผู้ปฏิบัติไม่สนใจสังเกตกิเลสตัวพาให้เผลอนั้นเป็นภัยต่อตอนและความเพียรเจ้าตัวนี้จึงได้โอกาสออกหน้าออกตาอยู่กับนักปฏิบัติโดยผู้นั้นไม่รู้สึกว่าตนได้ถูกมันลากจูงอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นนักสังเกตอยู่บ้าง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 จากนาทีนั้นก็มีแต่ร่างของนักปฏิบัติผู้ไม่มีสติทำความเพียรอยู่เปล่าๆถ้าเดินยงกรมก็สักแต่กิริยาว่าเดินถ้านั่งสมาธิอยู่ก็สักแต่กิริยาว่านั่งถ้ายืนเป็นท่ารำพึงธทำก็สักแต่กิริยาว่ายือนอยู่เท่านั้นเหมือนหุ่นหรือตุ๊กตาเราดีๆนี่เองหาเป็นความเพียรตามองค์ของผู้บำเพ็ญอย่างแท้จริงไหมเพราะสติที่เป็นองค์ความเพียรอันจะยังผล น, นั้นๆให้เกิด ได้ถูกกิเลสตัวเผอรเรอเอาไปกินเสียสิ้นแล้วเหลือแต่ร่างซึ่งเป็นเพียงกิริยาแห่งความเพียรอยู่เท่า น, นั้นนี่แหละกิเลสทําลายคนทําลายความเพียรของนักปฏิบัติมันทําลายต่อหน้าต่อ ต, อตาและทําเอาอย่างสดสดร้อนเกลืวยวิธีกล่อมให้หลับสนิทขณะกําลังทําความเพียรนั่นเองถ้าอยากทราบว่ากิเลสประเภทต่างๆมีความสามารถอ่านเลื่อมเพียงไรย่อมจะทราบได้ทุกประยะ แม้ขณะเริ่มจะทำความเพียรก็ทราบได้ไม่อยากเร็นอะไรเลยแต่โดยมากไม่อยากทราบกันอยากทราบแต่สมาธิสมาบัติวัดผลนิพพานอย่างเดียวหาทราบไม่ว่าทำเหล่านี้จะปรากฏขึ้นมาได้เพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะสติ ก, กับปัญญาเป็นเครื่องมือบุกเบิกอันสําคัญหาใช่เพราะความเผลอเร่อไม่พอที่จะไม่สนใจระวังมันอันเป็นตัวทําลายทำทั้งหลายที่จนพึงประสงค์ดังนี้ ท่านเทศบางครั้งผู้ฟังทั้งหลายอดหัวเราะ อ, อยู่ภายในไปติตามขันไม่ได้เพราะขบขันผู้เขียนจำได้เฉพาะความขบขันส่วนเนื้อทำที่ท่านแสดงขันขันนั้นจำไม่ค่อยได้มากท่านว่าถ้าพากันสนใจทางความเพียรเหมือนคนมีชีวิตจิตใจอยู่กับตัวบ้างแล้วความเจริญทางใจก็พอจะมีทางงอกเงยเช่นได้ไม่เหมือนคนเดินเข้าโรงผีทั้งเป็นดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ แต่นี้มองไปทิศใดทางใดเห็นมีเจสเศษพระเศษเนมเหมือนเศษเหล็กเคลื่อนที่เดินไปมาตามทางจงกรมงุ่มง่ามตุ่มเทียมไม่มีสติความรู้สึกอยู่กับตัวและปัญญาความแยกคายใดๆบ้างเลยท่านั่งภาวนาก็นั่งอยู่เฉยๆเหมือนเศษเหล็กที่เขากองทิ้งไว้ในร้านหรือในโรงงานต่างๆนั่นแหลแต่เศษเหล็กมันยังไม่แสดงความโยกเยกประงกหน้าประงกหลังเหมือนคนกําลังจะตาย อยู่ในท่าแห่งความเพียรให้เราดูพอรำคาญใจส่วนพระกรรมฐานนั่งสงบงกเงินจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่จะตายแหล่ไม่ตายแหล่พอให้รำคาญในการเตรียมท่อมกุสลามาธิกานั่งสิ่ม่ น, นาทุเรศนะและบางครั้งที่เป็นเวลากลางคืนซึ่งเป็นเวลาแรงกาหมาหลับนอนกันซะแล้วเพื่อเกิดเป็นอะไรขึ้นมาในเวลานั้นไม่ทราบว่า ใครจะมาช่วยจัดการกุษลามาธิกาศพให้ตามประเพณีที่มนุษย์นิยมกันถ้าเหตุเช่นนั้นเกิดขึ้นในเวลากลางวันก็พอให้แรงการรำคาญอีกแง่หนึ่งคือเวลาเขาบินมาดูคิดว่าพอเป็นอาหารได้แล้วก็ยังมีลมหายใจและมีอาการกระดุกกระดิกอยู่เห็นท่าไม่ได้การเขากลัวรีบพากันบินหนีไปและจับต้นไม้คอยดูอีกต่อไปบางทีมีหวัง แล้วมองกลับมาดูสิ่งที่น่ารำคาญทั้งอีกพอเห็นเรากับว่าเรียบร้อยไปแล้วคงจัดการได้แล้วทีนี้พอบินกลับมาดูเข้าจริงๆกลับมีสติคืนมาและแงนหน้าขึ้นมองดูเขาจนพากันกลัวบินหนีไปด้วยความหมดหวังพอจะบินไปเที่ยวหาสิ่งที่อื่นอาการของนักภาวนานในร่างแห่งคนตายครึ่งนั้นก็เป็นเหมือนร้องเรียกเขาให้บินกลับมาอีกว่าจัดการได้แล้วทีนี้สําเร็จแล้วอยู่เรื่อยไป ซึ่งพอให้เขาราคาญกับพระเศษคนเคลื่อนที่อยู่นั่นแหลนี่คือผู้ปฏิบัติให้แรงกาหมาปาหมาบ้านรําคาญไม่ว่าเพียงแรงกาและหมาทั้งหลายจะรําคาญเลยแม้ผู้สอนก็อกจะแตกยิ่งกว่าสัตว์จำพวกที่คอยจะกินเนื้อกินหนังพระที่ตายทั้งเป็นเพราะไม่มีสติประคองตัวเสียอีกปฏิบัทาแบบนี้คือแบบเตรียมการไม่หยุดแต่ไม่เกิดผลพอเทศมาถึงจุดนี้ ท่านคนิ่งไปพักหนึ่งเรากับจะ ก, กําหนดดูใจพระใจเนรที่กําลังนั่งฟังว่าจะพากันคิดอย่างไรบ้างพอเห็นแต่ละองค์ต่างนั่งเงียบคงทั้งกลัวบ้างขบขันบ้างนั่นเองเสียงท่านกรเดิมกันอีกเรากับตอบคําสงสัยว่าก็เตรียมกุศลามาติกาพระทั้งเป็นอย่างไรละ่ะคนตายเขายังมีกุศลาบังสุกุลพระนั่งภาวนาหลับแบบตายทั้งเป็นจะไม่กุศลามาติกาให้บุญ ก็จะพากันไปตกนรกมสมุทรสิทธิ์แม้เวลาเดินชมรมหรือนั่งภาวนาก็ทําโยกหน้าโยกหลังเหมือนจะโดดลงนรกทั้งเป็นอยู่แล้วเมื่อถึงเวลาเข้าจริงๆจะโดดไปที่ไหนถ้าไม่โดดลงนรกขุมนอนไม่ตื่นเล่าคําว่านรกขุมนอนไม่ตื่นพวกเราก็ไม่เคยได้ยินกันมาบ้างเลยแต่ท่านก็นํามาแสดงจนได้พอเลิกจากประชุมแล้วต่างพากันออกมาแอบคุยกันรอบๆสพ า, ภานูสนุกไปพักหนึ่ง ก่อนจะเลิกรากันไปสถานที่ที่ทำความเพียงของตนอันเป็นสถานที่ที่ท่านว่าโรงพักศพของพระที่ตายครึ่งคอยเตรียมรับกุศลาแต่แปลกดังที่เคยเรียนแล้วพระเนรไม่ว่าองค์ใดไม่เคยแสดงอาการหดหนิดไม่พอใจในคำที่ท่านเทศดุดาเกี่ยนตีนั่นเลยมีแต่ต่างองค์ต่างฟังกันอย่างถึงใจและเพลิดเพลินไปตามคาเทศกบขันท่านเสียอีกไม่อยากใหจบลงง่ายๆเลย ทางนี้คงเป็นเพราะความเชื่อมั่นในองค์ท่านว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และมีจิตเต็มเปี่ยมด้วยเมตตาเป็นพื้นฐานและเหตุผลนั่นเองจึงไม่มีท่านผู้ใดสนใจคิดวิาพากษ์วิจารณ์ไปในแง่ต่างๆแทนที่จะขยะขยั้งต่อคําเทศประเภทกุศลามาจิกานั้นแต่กลับได้สติระลึกเห็นโทษแห่งความเผลอสติของตนไปตา่ตางๆกันองค์ท่านเองก็แสดงซุ่มเสียงและท่าทางหน้าโกรเฉพาะเวลานั้นเท่านั้น พอพลไปแล้วก็มีอากาศกิริยาธรรมดาเหมือนไม่เคยแสดงท่าทางอย่างนั้นมาก่อนเลยแม้พระที่เคยอยู่กับท่านมานานจนทราบที่ใสท่านได้ดีพอแล้วหลังจากฟังเทศแบบนั้นมาแล้วท่านก็สนทนาปราศัยกับท่านอย่างสนิทสนมธรมธรมดาธรรมดาเหมือนไม่มีอะไรเคยเกิดขึ้นเมื่อครู่ก่อนนั้นบ้างเลยนอกจากท่านที่เพิ่งไปฝึกหัดใหม่ที่ยังไม่เคยกับทำเครื่องดัดสันดาลแบบนั้นจึงไม่ว่าท่านว่าเราเมื่อมาเจอเข้ออย่างจริง ก็ต้องมีอาการต่างๆทั้งจะพลุดลุกพุดหน้าทั้งจะปวดห น, นักปวดเบาทั้งร้อนทั้งหนาวไม่มีสติพอยับยั้งตั้งตังตวได้เหมือนจับสุนัขโยนใส่เสือตายเราดีๆนี่เองได้ยินแต่เสียงแงกคําเดียวแล้วตัว ก, ก็เห็นหนีตายแบกไม่อะไรชีวิตเอาเลยเห็นแต่อะไรๆที่มีค่าคิดของมันหลุดทิ้งเรี่ยราดสาดกระจายเต็มอวิวัเสียทั้งตัวนั่นแหลนั้นใครจะคิดว่าเป็นอะไร ที่หลุดรากออกมาจากตัวมันลงกองเรี่ยราดเป็นตัวเสือที่มันกลัวๆนั่นล่ะส่วนตัวสุนัขเองนั้นเพ่นหนีตายจนไม่มีที่ยับยั้งตั้งตัวได้พระที่ไปอบรมกับท่านใหม่ๆโดยมากมักเป็นทํานองจับสุนัขโยนใส่เสือตายนั่นแหละไม่ค่อยจะมีสติยับยั้งตั้งตัวได้เท่าที่ควรยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความกลัวว่าท่านจะดูด่าเอาท่าเดียว โดยไม่ได้คิดถึงเหตุผลกลไกอะไรบ้างเลยยิ่งกว่าสุนัขกลัวเสือตายเส อ, อีกเมื่เปิดคำว่าสุนัขกลัวเสือนั้นกลัวจริงๆมีอะไรอยู่ในท้องต้องหลุดลอยออกหมดไปแต่ตัวขณะที่เจอเสือแต่โดยมากสุนัขเจอเสือวิ่งหนีไปไหนไม่เป็นยืนตัวแข็งกรอยให้อะไรอะไรไหลออกจะหมดนั่นแลเพียงถูกจับโจูใส่เสือที่ตายแล้วยังเป็นดังที่เรียนแล้ว ทางนี้เพราะสัญชาตญาณของสัตว์นี้กลัวกันจะไหนจะไรมาท่านที่เคยอยู่ตามแถบป่าที่มีเสือชุมย่อมทราบเรื่องสุนัขกับเสือได้ดีแต่ท่านที่อยู่แต่ในเมืองหรือในกรุงเทพมาแต่ต้นไม่อาจทราบได้หรือไม่เชื่อว่าจะเป็นได้ดังที่เขียนก็เป็นได้แต่ความจริงก็เป็นอย่างนั้นเล็กปิดเฉพาะท่านที่เคยอยู่อบรมกับท่านมานานท่านดุดาครูเข็นมากเพียงไร ยิ่งเป็นเหมือนเร่งยาแก้ไขให้หายโรคดเร็วทันใจยิ่งขึ้นไม่มีคนไข้ใดที่โกรธแค้นให้หมอผู้เร่งยาเพื่อช่วยตัวเองให้หายจากโรคที่กำลังบีบบังคับอยู่จนหาทางรอดตัวไม่ได้นอกจากจะเกิดความอบอุ่นและขอบคุณของหมอว่าตนยังพอมีทางรอดตายได้เพราะความเมตตาอนุเคราะห์ของหมอเท่านั้นนักปฏิบัติผู้เห็นภายในความโง่เพระกิเลส ข, ของตัวบีบบังคับทับผม ก็ย่งมีความกระยิ่งยิ้มย่อมต่อโอวาทหนักเบาเพื่อบรรเทาและแก้กิเลส ข, ของตัวจากครูอาจารย์ผู้มีเมตตาคิตคิดอนุเคราะห์ด้วยวิวายต่างๆอันเป็นทางปลดเปลื้องเลี่ยงกิเลสกองทุกข์ไปได้ไม่นอนจมล้มเหลวเพราะอำนาจกิเลสปีบังคับทำลายโดยถ่ายเดียวการสังโอวาทท่านถ้าฟังอย่างผู้มุงอัดมุ่งทำจริงๆไม่สวนตัวนากิเลสตัวทิฏฐิมานะ เข้าไปต้านทานผลักดันทมที่ท่านแสดงเปิดใจฟังอย่างความรู้ไปตามเหตุตามผลจริงๆแล้วจะได้ฟังทำท่านอย่างถึงใจแก่กิเลสไปได้เป็นวัดเป็นตอนประจักษ์ใจในขณะที่ฟังทุกๆระยะที่ท่านแสดงยิ่งมีเรื่องทําให้ท่านสะดุดใจถือเป็นเหตุจะเป็นเรื่องใดหรือเรื่องของท่านผู้ใดก็ตามที่เป็นต้นเหตุยกขึ้นแสดงในเวลานั้นยิ่งน่าฟังผิดกับที่ท่านแสดงธรรมดาอยู่มากผู้มุ่งตัวท่าน ก็ไดกลัวเต็มภูมิที่อยากกลัวแท้ต่างตัวไม่ติดนั่นแหลผู้มุ่งเอาเหตุผลอัตธรรมก็ได้ผลเต็มความสามารถแห่งสติปัญญาของตนรทำร ท, ร ท, ร ท, รที่ปรากฏขึ้นในเวลานั้นต้องไม่เหมือนครั้งใดๆที่เคยผ่านมาแต่เป็นธรรมที่เหมาะสมกับเหตุการณ์นั้นโดยเฉพาะและไม่มีการซ้ํารอยเดิมที่เคยแสดงมาแล้วด้วยกรณีใสัยท่านอาจารย์มั่นแสดงธรรมโดยปกติก็เไมนซ้ํารอยเก่าอยู่แล้วนอกจากผ่านกันไปมาเท่านั้น แม้แต่ภาษิตเก่าที่เคยยกขึ้นแสดงเวลาแปลยังไม่ซ้ำกับพี่ท่านเคยแปลไว้เดิมเลยหากมีเลีงเ่งเลี่ยงเฉดเฉดกันไปพอให้เกิดอุบายแก่ผู้ฟังเราดีๆนี่เองจึงอดชมเชยท่านแล้วเล่าไม่ได้ว่าสมกับที่ท่านพิจารณาองค์ท่านเองว่าเป็นปฏิสามพิธานุสาต์จริงๆผู้ที่เคยอยู่กับท่านนานเท่าไรยิ่งชอบฟังทำเด็ดเทตร้อนจากท่านมากกว่าธรรมดา เพราะมีรสราบซึ่งผิดกันอยู่มากแต่ผู้ไม่เคยฟังก็ว่าท่านดุดาแล้วกลัวจนลืมสนใจกับเหตุผลความจริงในเวลานั้นผลที่ได้รับจากการฟังธรรมท่านในเวลาเดียวกันจึงต่างกันราวกับฟังเทศคนละกันเวลาท่านแสดงธรรมสอนพระในวงปฏิบัติใกล้ชิดท่านแสดงอย่างถึงเหตุถึงผลจริงๆไม่มีการแบ่งรับแบ่งโซ่ทั้งด้านสมาธิทุกขั้นปัญญาทุกภูมิ และไตรลักทั้งหลายท่านรือเฟื่บุกเบิกและเปิดเผยให้ฟังตามความมีความเป็นของสิ่งนั้นๆอย่างถึงใจสมท่านเชี่ยวชาญทางกิจกภาวนาทุกูมิจริงๆแต่ผู้เขียนไม่อาจนำมาลงได้ทุกๆประโยคไปเพราะเป็นธรรมคู่ควรแก่ท่านผู้แสดงและท่านผู้ฟังโดยเฉพาะเท่านั้นเรียนได้แต่ว่าธรรมประเภทสเสด็จเผตร้อนเท่านั้นซึ่งกิเลสกลัวและหลังไหลออกเป็นกองกอง่อ เพาะอำนาจตปธรรมเครื่องแผดเผาไหลออกจากอนุสาสนิยะปาฏิหาริยะเหมือนน้ำไหลไฟสว่างราวกับจะมองเห็นปู่ย่าตายายครอบตัวผมเนียลูกเจ้าหลาเหลนของกิเลสชนิดต่างๆแต่รับดับสลายไม่เป็นขบวนไปในเวลานั้นที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจบลงพุทธบริษัทได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษนับแต่อริยธรรมขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดมีจํานวนเท่านั้นเท่านั้นนั้น ในสมัยปัจจุบันถ้ายกธรำประเภทที่ท่านอาจารย์มั่นแสดงในวงพระปฏิบัติชนิดเปิดโลกธาตุแม้เป็นเพียงคำํำย่อยๆของธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงก็ตามขึ้นที่เคียงกันเพื่อหาหมูลความจริงกันแล้วผู้เขียงก็อดเชื่อไม่ได้ต้องเชื่อจริงๆท่านผู้ใดจะว่าหูเบาเชื่อง่ายก็กรุณาว่ากันไปส่วนผู้เชื่อก็เชื่ อ, อไปดังที่เรียนแล้วเพราะกิเลกก็เป็นของจริงในอริยสัจ ทำเครื่องแก้กิเลสก็เป็นของจริงในอริยศาสตร์อันเดียวกันเมื่อความจริงเข้าถึงความจริงเต็มที่แล้วจำต้องแสดงผลเป็นของจริงออกมาได้ทุกการสถานที่บุคคลไม่เลือกหนาพระพุทธเจ้าก็ทรง์แสดงธรรมของจริงท่านอาจารย์มั่นก็แสดงธรรมของจริงเพื่อแก้กิเลสอันเป็นของจริงมาทุกการทุกสมัยเช่นอยู่กันการที่กิเลสหลุดลอยไปเพราะการแสดงธรรมซักพ่อของท่านผู้ใดก็ตาม จึงเป็นความชอบด้วยเหตุผลไม่ควรจะมีอะไรมาเป็นอุปสรรคได้เพราะกิเลสไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรมัดเครื่องแก้กิเลสก็ไม่ขึ้นอยู่กับอะไรเช่นกันแต่ขึ้นอยู่กับการสั่งสมกิเลสและการแก้กิเลสเท่านั้นเป็นสําคัญเช่นเดียวกับสิ่งหรือสถานที่สกปรกจะสะอาดได้ก็ขึ้นอยู่กับการชําระล้างด้วยน้ําที่สะอาดเท่านั้นขณะฟังท่านอาจารย์มั่นแสดงธรรมเฉพาะท่านที่จิตเข้าสู่ภูมิปัญญา ควรแก่การพิจารณาตามท่านใดแล้วนั้นเป็นความเห็นชัดระหว่างกัญญากับกิเลสตคลื่องกันโดยอาศัยธรรมท่านเป็นเครื่องบุกเบิกผู้ฟังพิจารณาไปตามในขณะเดียวกันก็แก้กิเลสไปตามเป็นตอนตอนฟังคราวนี้พิจารณาแก้ความสงสัยได้ขนาดนี้ฟังคราวต่อไปพิจารณาต่อไปและแก้กิเลสได้ขนาดนั้นหลายครั้งต่อหลายคราวก็จำต้องผ่านพ้นดงหนาพากิเดไปได้ แล้วจะมาให้ท่านเชื่อว่าการฟังธรรมอาจบรรลุมากผลได้ก็รู้สึกจะอวดกิเลสตัวเคยชอบอวดเกินไปเพราะปกติกิเลสไม่ชอบเหตุผลชอบแต่ความอวดตัว ย, ยอตัวว่าเก่งทั้งที่ไม่เก่งและทั้งที่ท่านผู้ฉลาดและยิ่งใหญ่กว่าธรรมนิและสาดแข่งอยู่เสมอผู้ที่อยู่ในภูมิสมาธิความสงบพอได้ฟังธรรมท่านใจก็สงบลงง่ายกว่าที่ทําโดยลำพัน์ตนเอง เพราะทำท่ามช่วยกลมเกลาวในเวลานั้นการฟังธรรมจึงเป็นภาคปฏิบัติสําคัญคแขนงหนึ่งในบรรดาความเพียรส่วนผู้ไม่เคยปฏิบัติและไม่เคยฟังพอประกฏผลมาบ้างเลยเพียงจะโดนดาเอาตามความคิดเห็นของตนไปขัดข้านนั้นก็ขัดข้างได้ถ้าจะตรงความจริงและเกิดประโยชน์ความจริงแล้วไม่ใช่ทางให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใดนอกจากจะสร้างมวลทินให้แก่พระศาสนา และสร้างความรำคาญให้แก่ผู้อื่นที่ตั้งใจบำเพ็ญให้เกิดความเอื่มระอาไปตามๆกันและหัวเราะอยู่ภายในเท่านั้นว่านักปราถหัวกะทิที่สําเร็จด้วยการปฏิเสธและดนเดามาผลนิพานปัดทิ้งให้การสถานที่และบุคคลอื่นเอาไปครองตัวเองดื่มแต่อารมณ์แห่งความปฏิเสธดนเดาก็ภูมิใจที่อาจารย์ฝ่ายปฏิบัติถามลูกศิษย์หลังจากการแสดงธรรมจบลงว่าฟังเทศได้ความหรือเปล่า นั้นหมายถึงได้ความสมงบเย็นและความแยกคายทางปัญญา ต, ตามภูมิจิตภูมิธรรมที่มีต่างกันในขณะฟังไม่ได้หมายถึงการจดจำเนื้อธรรมที่ทางแสดงแต่บทธรรมใดที่ตกค้างอยู่ในความทรงจำบทธรรมนั้นก็จำได้เองที่ผ่านไปก็ไม่จำเป็นต้องจดจำสำคัญที่ขณะฟังทำจิตให้กั้งตัวมีความรู้สึกอยู่เฉพาะหน้าไม่พลั้งเผลอไปกับอารมณ์อื่น มีสติกับจิตทำหน้าที่รู้ตัวอยู่ภายในกระแสธรรมที่ท่านแสดงจะเข้ามาสัมผัสกับความรู้ที่ตั้งไว้ดีแล้วนั้นและได้ยินชัดถ้อยชัดคํายิ่งกว่าการส่งจิตออกไปรับธรรมเสียอีกจิตกับกระแสธรรมที่สัมผัสรับรู้กันโดยสม่ําเสมอไม่ขาดวักขาดตอนนั้นคือการกล่อมกล่าวจิตให้สงบตั้งมั่นลงเป็นสมาธิได้ในขณะฟังอารมณ์อื่นไม่เข้ามายุ่นหรือจิตไม่ส่งออกไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ภายนอก อันเป็นเครื่องก่อกวนใจให้คุน牟 ม, มีเฉพาะจิตกับธรรมสัมผัสกันอยู่เท่านั้นจิตย่อมสงบตัวลงไปเองขณะจิตสงบไม่คิดกลงอารมณ์ก่อกวนต่างๆย่อมทําให้ลืมความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าและเวลาเวลาไปเองกายก็เป็นเหมือนไม่มีเวลานั้นมีแต่ความสงบเย็นเป็นผลให้จิตได้ดื่มโอชารสแทนอารมณ์อื่นขณะที่จิตกับธรรมกลมกลืนเป็นอันเดียวกันนั้น นั่งนานเพียงไรก็ไม่เกิดความเหนื่อยลำคาญถ้าความสงบนั้นไม่ถอนตัวขึ้นมาตราบใดกายก็ไม่มีทุกเวทนามารบกวนอารมณ์ก็ไม่รบกวนใจตราบนั้นใจกับธรรมอยู่ด้วยกันมีแต่ความสงบเย็นไม่เคยเป็นข้าศึกต่อกันแต่ไหนแต่ไรมาแต่ถ้าอารมณ์อื่นปรากฏขึ้นมาไรก็เกิดเป็นข้าศึกกันเมื่อนั้นกายก็เหนื่อยใจก็ลำคาญความง่วงก็มากเนื้อหนังเส้นเอ็นทั่วอวัยวะส่วนต่างๆ ก็แสดงอาการเจ็บปวดปวดร้าวไปหมดราวกับจะผุพังไปตามๆกันในเวลานั้นเพราะกิเลสตัวที่เขียดมักกวนและเที่ยวยุ่ยแยไปตามส่วนต่างๆของร่างกายให้เจ็บปวดลำคัญไปหมดสุดท้ายความเพียงก็แตกสามคีแผ่สองสลึงลงแบบไม่เป็นท่าเพรามันจนได้นี่แลเรื่องของกิเลสไม่วชนิดใดย่อมทําลายคุนสัตว์ได้เหมือนกันหมดท่านจึงเรียกว่ามาร ม, มีน้อยก็กวรน้อยทําลายน้อย มีมา ก, กาปกครมากแลททำลายมากผิดกับธรรมซึ่งเป็นเครื่องช่วยพยุงส่งเสริมเป็นไหนๆธรรมมีมากเพียงไรย่อมทําใจให้สงบเย็นเพียงนั้นยิ่งมีมากจนใจทั้งดวงคนทั้งคนกลายเป็นธรรมทั้งแท่งแล้วนั่นแลคือผู้ทรงธรรมทั้งแท่งผู้ทรงบรมสุขตลอดอนันตการที่ท่านถามว่าฟังเทศในความหมายนั้นคือได้ความดังกล่าวมานับแต่ความสงบสุขในขณะฟังเป็นลำบาไป และได้ความสว่างสวยทางปัญญาละกิเลสได้เป็นระยะไปตามภูมิของตนเรียกว่าฟังเทศได้ความกระทั่งในความสุดสิ้นแห่งการละกิเลสและรู้แจ้งในธรรมทั้งหลายในขณะนั้นท่านเรียกว่าได้ความทั้งสิ้นกระทูดวงกรรมฐานโดยมากท่านฟังธรรมได้ความท่านหมายเอาได้ความระหว่างใจกับธรรมสัมผัสกันปรากฏผลเป็นความสงบเย็นได้เห็นแจ้งขึ้นมาที่ใจส่วนการจดจำเนื้อธรรมจากการแสดงนั้น ท่ือถือเป็นจิตสําคัญยิ่งกว่าการกําหนดรู้ระหว่างธรรมกับใจสัมผัสกันท่านนั่งฟังเทศอยู่ด้วยจำนวนมากน้อยเพียงไรจึงเหมือนไม่มีคนต่างองค์ต่างนั่งกําหนดจดจอฟังอยู่ที่ใจของตนรากับผัวต่อไม่มีอาการกระดุกกระดิกตุกติดกันเป็นการเหนื่อยหน่ายรําคาญแต่อย่างใดได้ยินเฉพาะเสียงอาจารย์ทั่วให้ทำซึ่งแสดงด้วยความเข้มข้นราวกับฝนตกหนัก ทั้งลูกเห็ดทั้งลมจับพัดผันปั่นป่นวนเหมือนกิเลสบาปกรรมทั้งหลายจะขาดลายกลายเป็นกระแสลมไปตามกระแสธรรมในเวลานั้นเพราะขณะที่ฟังอยู่ด้วยความหมายมั่นปันมือไม่มีกิเลสตัวใดจะโผล่หน้าอาปากออกมาแสดงความโอวดทีกับสติปัญญาที่กําลังฟาดฟั น, ฟนหั่นแหลกกันอย่างสุดกําลังเวลานั้นมีแต่ทาลนลว น, ลวนทั้งภายนอกคือเสียงแห่งธรรมทั้งภายในคือใจกับธรรมคลมุมเครืนเป็นอันเดียวกัน มีแต่ความรื่นเริงบันเทิงไปกับทําความสงบเยือกเย็นที่รู้เห็นขึ้นกับใจเท่านั้นกว่าจะจบการแสดงธรรมแต่ละครั้งกินเวลาสามสี่ชั่วโมงหลังจากการฟังธรรมผ่านไปแล้วหากจะมีข้อข้องใจในบางตอนสำหรับบางรายก็กราบเรียนถามท่านผู้เป็นอาจารย์ได้ช่วยชีย้แจงจนไที่เข้าใจแล้วค่อยเลิกไปทีพักของตนของตนจากนั้นต่างองค์ก็เข้าทางเดินชมรมต่อไปเพื่อคลายทุกในร่างกาย และระบายกิเลสออกจากใจด้วยอุบายต่างๆตามสติปัญญาของแต่ละท่านจะมีอุบายหนักไปในทางใดกว่าจะออกจากทางเดินจงกรมเพื่อพักผรก็กินเวลาหลายชั่วโมงวันที่มีการประชุมธรรมการพักผรหลับนอนจําต้องเลื่อนออกไปพักดึกกว่าปกติธรรมดาบ้างเพราะวันนั้นถือเป็นกรณีพิเศษซึ่งไม่ได้มีทุกวันไปบางท่านจึงประกอบความเพียรด้วยอิริยาบถสามคือยืนเดินนั่งตลอดสว่างไม่หลับนอน การไม่ยอมหลับนอนตลอดรุ่งของท่านมีสองประการคือไม่นอนเพราะความติดตะกายในความเพียรเพื่อบูชาธรรมที่ท่านอุตสาห์แสดงด้วยความเมตตาในธรรมทุกขั้นอย่างถึงใจฟังแล้วเกิดศรัทธาเพิ่มขึ้นทำให้มีความอุตสาห์พยายาม